ธรรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่แปดโดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11มกราคม2556มีชื่อเรื่องว่าหลานไม่รักดีของเศรษฐีผู้ใจบุญวันนี้เป็นวันพระ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 ก็เออที่หลวงพ่อพูดให้ฟังได้มีเหตุผลที่พวกเราจะต้องได้จะต้องนํามาประพฤติธปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราจะได้นําสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็มาปรับปรุงตัวเองแต่ถ้าว่าเราผู้ใดก็าตามจะไปขยันขยอรือไปบอกเก่าว ดูจุดบกพ่องของแต่ละคนคนนั้นเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันเผลอๆเขาบอกว่าล่วงล้ำสิทธิมนุษยชนไปอีกเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าตัวเราไม่สอนเราถ้าตัวเราไม่เตือนเราถ้าตัวเราไม่เป็นที่พึ่งของเราแล้วใครจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้ว่าอัตหิอัตโนนาโธ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 แต่ถ้าหากว่าตัวเองไม่ช่วยตนเองวันก็ไม่รู้ใครจะช่วยเราได้เหมือนกับรถของเราหมดไฟจะตัดเครื่องไม่ติดแล้วเข็นขึ้นเขาอย่างนั้น่แหละพวกที่เข็นขึ้นไปก็เหนื่อยผลที่สุดก็ไมุษย์จะเข็นยังไงก็ปล่อยทิ้งนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีไฟจะตัดเครื่องไม่ติด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 แต่ตัวของเราเองต้องปรับปรุงแก้ไขต้องศึกษาต้องค้นคว้าต้องเป็นตัวของตัวผลในสุดก็พยายามทาปรับปรุงกายวาจาใจของเราอย่าให้มีมลทิน่าให้ด่างพร้อยอย่าให้ขาดตกบกพร่องเรื่องศินอย่าให้มีปัญหาเรื่องการอยู่กับหมูเพื่อนอย่าให้มีการ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 ว่าอันไหนควรจะแยกแยะอย่างไรจากนั้นก็ได้นํำทำสอนที่ได้ศึกษามาแนะนำเบื้อบอกกล่าวพวกน้องๆหรือว่าได้นํำทำทุกตัวเองได้ประสบ ป, ปการณ์ที่ได้ประยุกต์นํามาใช้และก็บอกกล่าวคณะศรัทธาญาติโยมมู่พวกเพื่อนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละอันนี้ก็คือ อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอยากน้อยกะสอนตนเองให้ได้ให้เป็นพระที่ดีให้เชื่อมั่นในตนเองถึงจะเป็นคารวาดกว็เถอะให้มองดูตนเองว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานี่ยอุ่นใจหรือยังมั่นใจหรือยัง ถ, ถ้าว่าเราจากไปในเดี๋ยวนี้เราตายไปเดีย๋ยนี้เราจะไปไหนเรามั่นใจด้อย่างในศีล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 ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยอยู่แบบ ล, ยลอยๆอยู่ไม่มีกฎเกณฑ์พึ่งพาอาศัยกินข้าวนอนหลับไปเป็นวันๆเผิดเพลินเฮฮาไปเป็นวันๆสิ่งเหล่านี้มันไร้สาระในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าไร้สาระจริงๆวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังเคยยก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 40กว่าโกรธคำว่าโกรธคำนี้ก็คือคนละ10ล้านเป็นโกรธค่า40โกรธเอาสิคูณ40เข้าไปสิจะเป็นเงินกี่ล้านนี่แหละในเมื่อแบ่งกันแล้วพี่ชายของท่านตายกันหลานของท่านเป็นผู้บริหารผู้บริหารก็ เที่ยวสัมะเลเทเมากินเหล้าเมายาสุรานารีภาษีกิฬาบัตรอันไหนที่สนุกสนานเพิดเพลนเนีฮไม่ได้ทำมาค้าขายเพราะในสุดทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเจ๊งโดยปริยายพอเจ๊งเสร็จแล้วก็เขาก็มาขอเงินขอเงินเอาไปใช้จ่ายอาณาถามิตก็ให้ไปครั้งหนึ่งพอไม่นานมาขออีก อาณาถาไม่ดีก็ให้อีกพ อ, อมาเอา้าทําไมมันเป็นอย่างนี้วะว่าจะสืบสอบได้เนี่ยสมบัติเขาหมดแล้วผลที่สุดก็เอาเงินให้เอาเสื้อผ้าให้เอเสื้อผ้าให้อีกไม่นานมาขออีกมันไม่รู้จักจบจักสิน้นผลที่สุดอาณาถาไม่ดีกะเสถียรอะไรไม่ได้ไอ้นี่ถ้าขืนต่อไปมันจะจุ่มจานบุญวายทําให้ลูกน้องบริวาร เสียหายอีกมันจะทำให้คนของเราเสียอีกนิสัยไม่ดีอย่างนี้ใครๆก็เกรงใจเพราะเป็นหลานไปใส่คือคาใส่คอลากออกไปจากนั้นก็เตีคือคาเหมือนกับคนโบราณใส่ขาดใส่มัดใส่คอหรือก็ลากอะไออกไปข้างนอกให้พ้นทางไกลๆแล้วก็ปล่อยคือคาไป อย่าเข้ามาอีกนะบอกสั่งลูกน้องบอกสามทับเข้ามาถ้าเขามาข่าวหน้าโดนไม่เหลี่ยวฮนมันก็ไม่กล้าเข้ามาแล้วแต่แต่ต่อมาเขาก็ชัด เ, เนจนไปเรื่อยผลีนสุดเขาก็เลยตายเนีพอมันความทุกข์ยากเพราะไม่ได้วางแผนชีวิตของตนเองไว้ไม่คาดไม่คิดนี่เรียกวความไม่รักตัวเองนั่นแหะแล้วเป็นอย่างนั้น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 ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่หามาด้วยความยากลำบากมอบให้แก่ตนเองพระนิสุกก็ตายตอนนี้พอตายจะได้อนาถาบิตกะเศรษฐีก็ไปกราบพระพุทธเจ้าตอนบ่ายพระพุทธเจ้าถามว่าอา้าเศรษฐีทำไมมาถึงตอนบ่ายอย่างนี้ละ่ะมีอะไรเศรษฐีก็บอกโอ้ขาบพระองค์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 จากนั้นเราก็ทําโรงทานไว้6แห่งเราทําบุญไว้6กแห่งทําบุญทําทานตั้งโรงทานไว้6แห่ ง, ทท ง, ร ง, หงประตูสี่มุมเมืองแล้วก็กลางเมืองอีกแล้วก็หน้าบ้านของตนเองอีกตั้งโรงทานเราทําบุญทําทานตลอดเพราะฉะนั้นอาณาสงแห่งการทําทานของเรา ใจของเรากว้างขวางมีแตเสียสะละแล้วก็เราก็มีทรัพย์สมบัติมากจากนั้นเราก็ได้มรณะาภาพเมื่อเราตายไปแล้วเราไปสู่สวรรค์เป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นใหญ่ในดาวดึงเป็นพระอินท์แต่ี้เราก็มอบทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกของเราลูกเอ้ยเอานะรักษาทรัพย์สมบัตินี่พอมอบให้ แต่เนี่ยพอโรคเข้ามาเนี่ยอันดับแรกก็เนี่ยปิดโรงทานสี่โรงทานก่อนอยู่ข้างนอกต่อมาก็ปิดในเมืองปิดหน้าบ้านผลีนสุดก็ตั้งวงเลี้ยงเหล่าเลี้ยงยาหมอร้องหมอลำขับพร้องอะไรสนุกสนานเศรษฐีเนี่ยเอามาทั้งหมดผลีนสุดยังตัวเองยังไม่ตายซับสมบัติเหล่านั้นหมดเกลี้ยงพอหมดเกลี้ยงทีนี้ ผลใิสูตรเขามายึดที่บ้านที่เรือนอะไรไปหมดเลยตอนนี้พอตัวเองไม่รู้จักบริหารจัดการนี่แหละคนโงน่มันลืมมันหลงถล้ำเข้าไปทุกอย่างไ อ, อ้พวกลูกน้องบริวารก็ยกยอปอปัน้น้แห่กินเจ้านายอย่างงั้นเจ้านายอย่างนีนนยยงน้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ผลในสูตรตัวเองก็เลยเจงพอเจงกันน่ะทัดเจเปเนจรไปแล้ว หาขอทาน เ, เศรษฐีหาขอทานมันไม่ได้ยากนะรับสมบัติเนี่ยเพราะมันไม่ได้สมบัติไม่ใช่สมบัติของตัวเองสมบัติของพ่อพ่ออยู่บนสวรรค์มองเห็นโอ้ลูกของเรานะ้อถ้าไม่ช่วยก็ยังไงอยู่พระ อ, อินทร์ก็เลยลงมาจากบนท้องฟ้ามาจากดาววัดึงลงมาก่อนิรมิตเป็นเหมือนกับพ่อเป็นพ่อเหมือนตะกอนเป็นร่างเหมือนกับพ่อตะกอน เรียกมาเออลูกที่รักของพ่อทําไมจนถึงขนาดนี้เอาแต่นั่นลูกนะถึงยังไงยังไงก็ยังเป็นลูกพ่ออยู่พ่อยังเป็นห่วงอยู่เดือดเนื้อเชื้อไขในสมัยพ่อเป็นมนุษย์แต่ปัานี้พ่อไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าแล้วแต่พ่อจะให้หม่อใบหนึ่งนะลูกนะถ้าวันลูก อ, อ, อยากจะได้เงินคําทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ก็ล่วง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 ได้มาที่แรกๆ ก, ก็เป็นคนดีเพราะมันเคยทุกมาแล้วเนี่ยเคยทุกยากลําบากมาแล้วต่อมาก็เป็นคนดีขึ้นมาทันตาเห็นเล ย, เนยยึดในการกระทําทั้งหลายทั้งปวงอพอต่อมาพอจีนี่ก็ล่ารวยขึ้นรุ่งรวยในระดับเศรษฐีขึ้นมาอีกพวกเร็วๆปาประมิททางหลายที่คบค้าสมาคมกันมาก่อนกขว่าเศรษฐีคนนี้รวยขึ้นมาแล้ว หลังไหลเข้ามาอีกมาเป็นหมูเป็นเพื่อนอีกมาแนะนําไปในทางที่เร็วๆอีกเศรษฐีนี่กับไฟถ่านเก่าไงถ่านเก่ามันติดไฟได้ง่ายเนี่ยแหม่ก็ไปอีกอรอบเก่าทีนี่ทำมาหากินนี่เลี้ยงสุรานารีพาชีกิฬาบัตรย่างเก่าทีนี่อบายยมุกทางหลายทางปวงเนี่ยเข้าอีรอบเก่าอีกแหมจากนั้นก็ยังร่วมมือเอา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 แค่ฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ผิดลาภละลวงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนดื่มสุรามันขาดสติจากนั้นก็พอเมาสุราได้ที่แล้วยคือยกหม้อขึ้นบนอากาศโยนหม้อแล้วก็รับโยนหม้อแล้วก็รับพอโยนทะเลมันรับไม่ได้เนีคนเมามันตาลายอยู่แล้วยมันพลัดตกลงมาใส่พื้นดินหม้อไปนั้นก็แตกเพราะ ผลที่สูก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาเงินล้วงเงินมาจากไหนผลที่สูก็เลยมดตัวอีกอย่างเก่ากลับไปอีรอบเก่าือเป็นขอทานอีกอย่างเก่านี่แหละ ว, วิญญาณดวงนั้นมาเกิดกับหลานอนาถามิตริกะเศรษฐีเราเคยเลี้ยงมาแล้วมันเลี้ยงไม่ได้เพราะมันโง่มันไม่มีคุณธรรมใ น, นจิตใจเลี้ยงคน เร็วคนไม่ดีเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงไม่ได้หรอกอนามัยไม่ดีไม่ต้องเสียใจมันบาปกรรมมันติดพบติดชาติเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ตรวจตราดูตนเองสิ่งไหนก็ตามถ้ามันไม่ดีแล้วให้ฝืนอย่าทําถ้าเรายังทํำอีกอย่างเก่าไปว่าเรื่องนั้นนินสัยนั้นน่ะนิสัยเร็วๆอย่างนั้นอ่ะมันจะติดพบติดชาติของเราต่อไปภายภาคหน้า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 อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็นมีเมตตาอารีต่อกันมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันในหมู่ในคณะอย่าไปทาแบบนักเลงหัวไม้เราเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ากับญาติกับโยมให้รู้จักการวางตัวให้รู้จกักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับครูบาอาจารย์วัยวุฒิคุณวุฒิ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 เราพอใจได้ออยังในการเป็นอยู่ของเราในเรื่องศีลสมาธิปัญญาถ้าเราไปจากโลกเดียวนี่เราจะไปสู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าให้มั่นใจในการประพฤติธปฏธิบัติของเรานี่แหละอันนี้คือการเป็นอยู่หลวงพ่อเคยพูดบททิศ ท, ทั้งหกเนี่ยนั่นแหล ะ, ะมันผิดผิดที่ผิดทาง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 ในทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากลากหลายแปด0มืนสีพันพระธรรมมขันกรรมฐานสี่สิบอย่างแต่ที่นี้เราจะหยิบจุดไหนมาประพฤติปฏิบัตินี่แหละจุดนี้หลวงพ่อเน้นหนักว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายยึดแนวแถวสายหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา หลวงปู่มั่นท่านสอนครูบาอาจารย์ของพวกเราสอนหลวงตามหาบัวสอนหลวงปู่ล่าสอนหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันหลวงปู่เาวครูบาอาจารย์ของเราที่มะแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวกล่าวกันมาเป็นทอดๆอย่างหลวงพ่อเนี่กระเดิดศึกษาจากหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่ากระดิศึกษาจากหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวกระเดิศึกษาจากหลวงปู่มั่น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 ประวัติหลวงปูมั่นปฏิปทาพระธูรงารรมฐานสายหลวงปูมั่นตลอดทำเลิขิตที่องค์หลวงตาเขียนนึกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศนาว่าการที่ว่าชี้ปอบว่าประวัติแต่ละองค์ที่ท่านดําเนินชีวิตของท่านอย่างไรออกบวชอย่างไรปฏิบัติอย่างไรรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอย่างไรมุ่งมั่นในธรรมอย่างไร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 สมัตรท่านทำจิตให้ใจให้สงบอย่างไรวิปัสนาเดินวิปัสนาพิจารณาอะไรสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในนั้นทั้งหมดวิธีการสมัตรมวิปัสนาทำจิตใจให้สงบการพิจารณาการกรองไตรตองเรื่องพิจารณาแยกส่วนแบง่งส่วนแบ่งส่วนของร่างกายสังขารร่างกายสังขารมิใช่ตัวตนของเรา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 ผูได้เหมือนกันผลที่สุขพังทลายอีกเหมือนกันนั่นแหะทั้งที่เราจะอาศัยเรือแพข้ามฝากฝั่งพอถึงฝากฝั่งไปแล้วกันโดดขึ้นฝากฝั่งเอาสมบัติไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต่อไปคือคือมรรคผลนิพพานแต่นี่เราจะไปเกาะไปเกอดอยู่ในเรือในแพนั่นไม่ไปไหน โปรสุตนั่นะตัวเองก็ล่มจมตายลงกับเรือกับแพรนั้นนี่ก็เหมือนกันลาบยศสรรเสริญสุขทั้งหลายอยู่ในโลกเนี่ยมันเป็นที่พึ่งพาอาศัยพาเดินไปสู่มรรคผลนิพพานแต่เรามาติดในสิ่งเหล่านี้ซะเออมันไปไม่ถึงไหนเลยทีเดีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่พูดให้ฟังหรือว่าแนะแนวให้ฟังอย่างนี้เออ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 หากอดหากเกณฑ์ไม่ได้เพราะในสุกันน่ะเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เลาะเลาะเแหล ะ, ล ะ, ล ะ, ละพูดอะไรก็ไม่จริงไม่จังหลบหลบเลีย่ยงลีเลีย่ยงถ้านินทาหมูพวกเพื่อ น, น, นเร็วยิ่งกว่าอะไรถ้าจะออกหน้าออกตาเป็นจิตจารักษณะเคียงบาเคียงไหลเพื่อจะดำรงทรงพระศาสนาให้มั่นคงเป็นสักเป็นสีต่อวงการต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อหมูต่อเพื่อน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 อันนี้มันถึงใจจริงๆเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะประโยชน์ตนก็จะให้ขาดตกปกพรองประโยชน์ท่านก็จะให้ขาดตกบกพ้องให้ทําสํารวมกายสรุปเรื่องคิดดีทดําดีพูดดีจุดนี้แหละคิดดีทดําดีพูดดีถ้าเราใช้วันดีนี้ระหว่าแนวความคิดนี้แล้วก็ปฏิบัติตามที่เราได้คิดไว้อย่างนี้